ائِكَ جزاؤُهُمْ وَجَنَّاتٌ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا ا تَجْرِي أَجْرُ رَبِّهِمْ مَغْفِرَتُمْ مِنْ مِنْ وَنِعْمَ ن ل คนเหล่านี้แหละการตอบแทนแก่พวกเขาคือการอภัยโทษจากพระผู้บา็นของพวกเขา และบรรดาสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลยอยู่ใต <kardeşim, S 1> ้สวนสวรรค์เหล่านั้นโดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในสวนสวรรค์เหล่านั้นตลอดกาลและรางวัลของผู้ที่ทางานนั้นช่างดีจริๆงๆนนนอ ได้ผ่านพ้นมาแล้วก่อนพวกเจ้าซึ่งแนวทางต่างๆดังนั้นพวกเจ้าจึงท่องไปในแผ่นดินแล้วจงดูว่าบรรปลายของผู้ปฏิเสธสถานนั้นเป็นอย่างไรนี่คือข้อที่แจงนชัดแจ้งสำหรับมนุษย์และเป็นทางนำที่ถูกต้องและเป็นคำตักเตือน สหหรัับผู้ย้ยยมเกลลนทงาและพวกเจ้าจงหย่าท้อแท้และจงอยาเสียใจและพวกเจ้านั้นคือผู้สูงสงยิ่งหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา َ تِلْكَ الْأَيْيَامُ لُدَاوِلُ هَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ الظَّالِمِينَ شُهَدَاءِ يُحِبُّ หากประสบแก่พวกเจ้าซึ่งบาดแผลหนึ่งบาแดแผลใดแน่นอนก็ย่อมประสบแก่พวกนั้นซึ่งบาดแผลเยี่ยงเดียวกัน และบรรดาวันเหล่านั้นเราได้มันหมุนเวียนไประหว่างมนุษย์เพื่อที่อัลลอฮ์จะสงทราบและบรรดาผู Mont ้ที่ศรัทธาและเพื่อเอาบรรดาผู้ที่เสียชีวิตในสงครามจากพวกเจ้าและอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงรักผู้อาธรรมทั้งหลายวม เพื่อที่อลัลลอ์จะทรงขัดเกลวบรรดาผู้ที่ศรัทธาให้บริสุทธิ์และทรงขจัดบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาให้หมดไปหรือพวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้าจะได้เข้าสวรรค์ทั้งๆที่อลัลลอ์ยังไม่ทรงทราบบรรดาผู้ที่ต่อสู้ ในหมู au, <Make> ่พวกเจ้าพร้อมกันน <mad> ั้นพระองค์ก็จะทรงรู้บรรดาผู้ที่อดทนด้วยแน่นอนพวกเจ้าเคยปรารถนาความตายก่อนจากที่พวกเจ้าจะได้พบมันและแน่นอนพวกเจ้า ก็ได้เห็นมันแล้วขณะที่พวกเจ้ามองดูกันอยู่ حمد หาใช่อื่นใดไม่นอกจากเป็นรอซูลผู้หนึ่งเท่านั้นซึ่งบรรดารอซูลก่อนเขาก็ได้ล่วงลับไปแล้วแล้วหากเขาตายไปหรือเขาถูกฆ่ากวาดพวกเจ้าก็หันส้นเท้าของพวกเจ้ากลับกระ น, น, นั้นดึ๊กและผู้ใดหันส้นเท้าของเขากลับแล้วใส่มันก็จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ลอตแต่อย่างใดและลอตนั้นจะทรงตอบแทนแก่ผู้ ลและมีเคยปรากฏแก่ชีวิตใดที่จะตายนอกจากด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์เท่านั้น ทั้งนี้เป็นลิขิตที่ถูกกำนหนดไว้และผู้ใดต้องการผลตอบแทนในโลกนี้เราก็จะให้แก่เขาในโลกนี้และผู้ใดต้องการผลตอบแทนในปรโลกเราก็จะให้แก่เขาในปรโลกและเราจะตอบแทนแก่ผู้ที่กะตะทอยู่ทั้งหลาย ล وا แล้วมีนบีกี่มากน้อยแล้วที่กลุ่มชนอันมากมายได้ต่อสู้ร่วมกับเขาและพวกเขาหาได้ทอแท้ไม่ต่อสิ่งที่ได้ประสบแก่พวกเขาในหนทางขอหล่อและพวกเขาหาได้อ่อนกำลังลง และหาได้ยอมสยบต่อศัตรูไม่และอัลลอ์นั้นทรงรักผู้ที่อดทนทั้งหลาย และคำพูดของพวกเขาไม่ได้ปรากฏเป็นอื่นใดนอกจากพวกเขากล่าวว่าโอ้พระผู้บานาของเราโปรดได้ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเราด้วยเถิดซึ่งบรรดาความผิดของพวกเรา และการที่พวกเรากระทาเกินขอบเขตในกิจการของพวกเราและโปรดทรงให้เท้าของพวกเรามั่นคงและโปรดทรงช่วยเหลือพวกเราให้ชนะเหนือกลุ่มชนผู้ปฏิเสธศรัทธาด้วยเถิดแล้วเราก็ทรงประทานให้แก่พวกเขา ซึ่งผลตอบทานแห่งโลกนี้และผลตอบทานที่ดีแห่งประโลกและโลกนั้นทรงรักผู้ที่กระทำความดีทั้งหลาย وا, وا, كم, كم, โอ้ผู้สัทธาทั้งหลาย หาพวกเจ้าเชื่อฟังบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วพวกเขาก็จะให้พวกเจ้ากลับส้นเท้าของพวกเจ้าเสียแล้วพวกเจ้าก็จะกลายเป็นผู้ที่ขาดทุกแต่ทว่าอัลลอฮ์ตัางหาคือผู้ช่วยเหลือพวกเจ้า และโยนความกลัวเข้ดีเยี่ัมในบรรดาผู้ช่วยเหลือทั้งหลายล ب ب เราจะโยนความกลัวเข้าไปในหัวใจของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทาเหล่านั้นเนื่องจากพวกเขาให้มีพาเขี่แก่วโร ซึ่งสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ส่งประธานหลักฐานใดๆมายืนยันในสิ่งนั้นและที่อยู่ของพวกเขาคือขุมนรกซึ่งที่อยู่ของบรรดาผู้ที่อธรรมนั้นช่างเลวร้ายจริงๆ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. เลนนอนอัลลอฮ์ได้ทรงให้สัญญาของพระองค์สมจริงแก่พวกเจ้าแล้วขณะที่พวกเจ้าเขยนฆ่าพวกเขาด้วยอนุญาตของอัลลอ์จนกระทั่งพวกเจ้าขยาดที่จะต่อสู้และขัดแย้งกันในคำสั่งและพวกเจ้าได้ฟ้าฝืนหลังจากที่พระองค์ทรงให้พวกเจ้าเห็นในสิ่งที่ พวกเจ้าชอบจากพวกเจ้านั้นก็มีผู้ที่ต้องการโลกนี้และจากพวกเจ้านั้นก็มีผู้ที่ต้องการและพระองค์ก็ทรงให้พวกเจ้าหันหลังกลับจากพวกเขาเสียเพื่อที่จะทรงทดสอบพวกเจ้าและแน่นอนพระองค์นั้นทรงอภัยแก่พวกเจ้าและอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้มีพระคุณแก่ผู้ที่ศรัทธาทั้งหลาย إذ تصعدون ولا تلون ََ على أحده والرسول يدعوكم في أخركم والرسول يدعوكم في أخركم فأثابتم غم ا بغم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابنكم และจงรำลึกถึงขณะที่พวกเจ้าหนีเอาตัวรอดและไม่เหลียวมองคนหนึ่งคนใดทั้งทั้งที่รอศูนย์กำลังเรียกพวกเจ้าอยู่ทางเบื้องหลังของพวกเจ้าแล้วพระองค์ก็ได้ทรงตอบแทนพวกเจ้าซึ่งความโศกเศร้าอีกอย่างนพร้อมด้วยความโศกเศร้าอีกอย่างนง เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ไม่เสียใจในสิ่งที่พวกเจ้าพลาดไปและไม่เสียใจต่อสิ่งที่ประสบแก่เจ้าและแล้อนั้นทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخون ف في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناه هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى م ض ا ج ع ه م وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور และพระองค์ก็ทรงประทานความปลอดภัยแก่พวกเจ้าหลังจากความโศกเศร้านั้นคือมีการนีบหลับครอบกลุ่มกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเจ้าและกลุ่มนั้นตัวของพวกเขาเองทำให้พวกเขากระวนกระวายใจพวกเขากล่าวหาอัลลอฮ์โดยปราศจากความเป็นจริงอย่างพวกยาฮิยาพวกเขากล่าวว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากกิจการนั้นเป็นสิทธิของเราบ้างไหม จงกล่าวเถิดมูฮัมมัดแท้จริงกิจการทั้งหมดนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์พวกเขาปกปิดไว้ในใจของพวกเขาสิ่งที่พวกเขาจะไม่เปิดเผยแก่เจ้าพวกเขากล่าวว่าหากปรากฏว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากกิจการนั้นเป็นสิทธิของเราแล้วไซพวกเราก็ไม่ถูกฆ่าตายที่นี่จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด แม้ปรากฏว่าพวกเจ้าอยู่ในบ้านของพวกเจ้าก็ตามแน่นอนบรรดาผู้ที่การฆ่าได้ถูกกำหนดแก่พวกเขาแล้วก็ออกไปสู่ที่นอนตายของพวกเขาและเพื่อที่อลรถจะทรงทดสอบสิ่งที่อยู่ในหัวอกของพวกเจ้าและลรถนั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในหัวอกทั้งหลาย إن الذين ت و ل و ์น م ว ك ลลูมิคุมเยอมัลทัล م ا ا งานอินนัมัตเ ا ลลัมุล ا ัยต م ا อินนัมัตเจลลัมุล ا ولقد ع ف ََ اللَّهُ ع َ ن ْ ه ُ م إ ِ ن ا ل ل َّ ه غَفُورٌ حَلِيمٌ บรรดาผู้ที่อยู่ในหมู่พวกเจ้าที่หันหลังหนีในวันที่สองกลุ่มเผชิญหน้ากันนั้นถ้าจริงชายตอนตั้งหาที่ทำให้พลาดพังไปเนื่องจากบางสิ่งที่พวกเขาได้ประกอบไว้และแน่นอนอัลลอฮ์ น, นั้นได้ทรงอภัยให้แก่พวกเขาที่จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงคันติ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غ ز ّ ل و ْ كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم Uh um โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอยากเป็นเช่นบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและกล่าวแก่พวกพ้องของพวกเขาขณะที่เขาเหล่านั้นเดินทางไปในแผ่นดินหรือขณะที่พวกเขาเหล่านั้นเป็นนักรบว่าหากพวกเขาอยู่ที่เราแล้วพวกเขาก็ย่อมไม่ตายและไม่ถูกฆ่า เพื่อว่าลอตจะทรงให้เรื่องนั้นเป็นความโศกเศร้าในหัวใจของพวกเขาและลอตนั้นจะทรงให้เป็นและให้ตายและลอเป็นผู้ทรงเห็นในสิ่งที่พวกเจ้ากระทําแและแน่น ถ้าหากพวกเจ้าถูกฆ่าในทางของลอหรือพวกเจ้าตายแล้วแน่นอนการอภัยโทษและการเมตตาจากลอนั้นดียิ่งกว่าสิ่งที่พวกเขาสะสมกันและความจริงถ้าหากพวกเจ้าตายไปหรือถูกฆ่าแน่นอนอย่างลอเท่านั้นที่พวกเจ้าจะถูกนำไปชุมนุม เนึ S <S. <S. ่องด้วยความเมตตาจากลอ์นั่นเอง มุ hammad จึงได้สุภาพอ่อนโยนแก่พวกเขาและถ้าหากเจ้าเป็นผู้ประพฤติหยาบช้าและมีใจแข็งกระด้างแล้วไซแน่นอนพวกเขาย่อมแยกตัวออกไปจากรอบๆเจ้ากันแล้ดังนั้นจงให้อาภัยแก่พวกเขาเถิดและจงขออาภัยให้แก่พวกเขาด้วยและจงปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจการทั้งหลายครั้งเมื่อเจ้าได้ตัดสินใจแล้วก็จงมอบหมายแดาลล้อเถิด แท้จริงอลัลลอฮ์ทรงรักผู้ที่มอบหมายทั้งหลายหากว่าเอเราทรงช่วยเหลือพวกเจ้าก็ไม่มีผูดด้ใดชนะพวกเจ้าได้ และพระองค์ทรงทอดทิ้งพวกเจ้าผู้ใดเล่าจะช่วยเหลือพวกเจ้าได้หลังจากพระองค์และต่อรนั้นผู้สถานทั้งหลายจงมอบหมายเถิด และไม่ปรากฏแกน่น บ, บีคนใดที่จะยักยอกและผู้ใด ย, ยักยอกแล้วเขาก็จะนำสิ่งที่เขายักยอกนั้นมาในวันขกียร์มาแล้วแต่และคนจะรับการตอบแทนอย่างครบถ้วนตามที่เขาได้แสวงหาไว้โดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอธรรมเลยอะม่มานผู้ะบบัญญิของอัลลอฮฺและะิ้งการกระทำขอัลลอฮฺแะม่ลารกระทำขอัล ผู้ที่ปฏิบัติตามความยินยอมของอลัลลอฮ์นั้นจะเหมือนกับผู้ที่ได้นำความเกลิยดโกรธจากอลัลลอ์กลับไปกระนั้นหรือและที่อยู่ของเขานั้นก็คือนรกซึ่งเป็นที่กลับอเลรลล้ายพวกเข า, เานั้นมีหลายระดับชั้น นาที่อัลลอฮแล้วรนั้นเป็นผู้ทรงเห็นสิ่งที่พวกเขากระทำแล้วด้วยมันอัลล ه ฮ์อาลัยอ ل ลมุอัมมินีนอิบบะِ์ฟีห์มรัสู م ม์ ن ْ أ َัْฟุซห์มรัสูลม์มิْอَมฟุซ ه ์มยะทลูอาไลห์มอายาตีห์วยูซَกคีَ์มวยูกُ م ُ ا ل ์มุล์ล์คิตาบวยั แน่นอนยิ่อัลลอฮนั้นทรงมีพระคุณแก่ผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายโดยที่พระองค์ได้ทรงส่งรสูนท่านหนึ่งจากพวกเขาเองมาในหมู่พวกเขาโดยที่เขาจะได้อ่านบรรดาองค์การของพระองค์ให้พวกเขาฟังและจะทำให้พวกเขาสะอาด และจะสอนคำพีและความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในบัญญัติาศาสนาแก่พวกเขาด้วยและแท้จริงเมื่อก่อนนั้นพวกเขาเคยอยู่ในความหลงผิดอันชัดแจ้ง และเมื่อมีอันตรายหนึ่งประสบแก่พวกเจ้าทั้งทั้งที่พวกเจ้าได้ให้ประสบแก่พวกเขามาแล้วถึงสองเท่าแห่งอันตรายนั้นพวกเจ้าก็ยังกล่าวว่าสิ่งนี้มาจากไหนกระนั้นหรือจงกล่าวเถิดมูฮัมมัดมันมาจากตัวของพวกเจ้าเอง แท้จริงอัลลอฮ์ทรงเดชะรูภาพเหนือทุกสิ่งและสิ่งที่ประสบแก่พวกเจ้าในวันที่สองกลุ่มเผชิญกันนั้นก็โดยที่อนุมัติของอัลลอฮและเพื่อพระรงค์จะได้ทรงทราบดีถึงผู้สรัทธาทั้งหลายนั้น وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أودفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون และเมื่อพระองค์จะได้ทรงทราบดีถึงบรรดาผู้ที่กลับกรอบและได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าจงมากันเถิดจงต่อสู้แนวทางของล้อหรือไม่ก็จงปกป้องพวกเขากล่าวว่าหากพวกเรารู้ว่ามีการสู้รบเกิดขึ้นแน่นอนเราก็จะต้องตามพวกเจ้าไปในวันนั้นพวกเขาใกล้แก่การปฏิเสธศรัทธายิ่งกว่าพวกเขามีศรัทธาสิ พวกเขาจะกล่าวได้ลงปากของพวกเขาต่างกับสิ่งที่มีอยู่ในวัตใจของพวกเขาและอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาปกปิดเอาไว <iste> ้บรรดาผู้ที่พูดเกี่ยวกับพี่น้องของพวกเขา โดยที่พวกเขานั่งอยู่เฉยวัฒหาพวกเขาเชื่อฟังเราพวกเขาก็คงไม่ถูกฆ่าจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดพวกเจ้าจงป้องกันความตายให้พ้นจากตัวของพวกเจ้าเถิดหากพวกเจ้าพูดจริง ลและเจ้าจงยาได้คิดเป็นอันขาดว่าบรรดาผู้ที่ถูกฆ่าในมุทางขอรอ น, นั้นตายมิได้พวกเขายังมีชีวิตกันอยู่ณนะพระผู้อวบารของพวกเขาในสภาพที่ได้รับปัจจัยอย่างีจริลง ปราบปลื้มต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้แก่พวกเขาอันเนื่องจากความกรุณาของพระองค์และปิติยินดีต่อ บ, บรรดาผู้ที่ยังมาไม่ทันพวกเขาซึ่งอยู่เบื้องหลังพวกเขาว่าไม่มีความกลัวใดๆแก่พวกเขา และพวกเขาจะไม่เสียใจพวกเขาปฏิยินดีต่อสิ่งอำนวยความสุขจากอัลลอฮ์และความกรุณาถ้าจริงอัลลอ์นั้นจะไม่ทรงทําให้รางวัลของผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นสูญหาย الذي لست جابه لله و ا س م ما أ ا ب ه م القرح ل ل ن ح س ن منهم و ا ت ق ج ر คือบรรดาผู้ที่ตอบรับอัลลอฮ์และรอสูลหลังจากที่บาดแผลได้ประสบแก่พวกเขาสำหรับบรรดาผู้กระทำดีในหมู่พวกเขาและมีความยำเกรงนั้น อรงวันอันดิ่งดายผู้ที่พูดว่าบรรดาที่ผู้คนได้กล่าวแก่พวกเขาว่าแท้จริงมีผู้คนได้ชุมนุมสำหรับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงกลัวพวกเขาเถิด แล้วคำพูดดังกล่าวนั้นได้เพิ่มการศรัทธาแก่พวกเขาและพวกเขากล่าวว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่พอเพียงแก่เราและเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายที่ดีเยี่ยมสส และพวกเขาได้กลับมาพร้อมด้วยความกรุณาจากอัลลอฮ์และความโปรดปรานจากพระองค์โดยไม่ได้มีอันตรายใดๆประสบแก่พวกเขาและพวกเขาได้ปฏิบัติตามความพอพระทัยของพระองค์และพระองค์คือผู้ทรงโปรดปรานที่ดียิ่ง เท็จชัยตอนนั้นเพียงขู่ได้เฉพาะบรรดาพูดที่ปฏิบัติตามมันเท่านั้นแต่นั้นพวกเจ้าจงอย่า ก, กลัวพวกมันและจงกลัว อ, ล อ, อัลลอฮเถอะหากพวกเจ้าเป็นผู้สัตย์ ولا َلَا كَالَّذِينَ الْكُفْرِ لَيْنِ اللَّهَ اللَّهُ لَا يُسَارِعُونَ شَيْئَا الْآخِرَةِ يَحْزُنْ فِي يَضُرُّ يُرِيدُ يَجْعَلَ فِي حَظَّمْ عَذَابٌ وَلَهُمْ إِنَّهُمْ لَهُمْ عَظِيمٌ และจงอย่าให้บรรดาผู้รีบเร่งในการปฏิเสธศรัทธาเป็นที่เสียใจแก่เจ้าถ้าจริงพวกเขาจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่เราได้แต่อย่างใดเลย อลลอ น, นั้นสรงต้องการที่จะไม่มีส่วนได้ใ ด, ดๆแก่พวกเขาในปัลลูและสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษอันยิ่ง ใ, ยย ใ, ใหญ่ บรรดาผู้ที่ซื้อการปฏิเสธด้วยการศรัทธานั้นพวกเขาจะไม่กอ่อให้เกิดอันตรายใดๆแก่อัลลอฮ์ได้แต่อย่างไรเลยและสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบ Um um um uh และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นจงอย่าได้คิดเป็นอันขาดว่าที่เราประวิงเวลาให้แก่พวกเขานั้นเป็นการดีแก่ตัวของพวกเขาแท้จริงการที่เราประวิงเวลาให้แก่พวกเขานั้นเพื่อพวกเขาจะได้เพิ่มปูนบาปกรรม เา น, นและสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษอย่างอัปยศ